เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุก์ที่๙พฤธภาคมพุทธศักราช5 5๕เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเพื่อชะมงคน ทำให้สาธุชน ญ, ญาติโยมได้กาไรบุญขึ้นมาอีกหนึ่นวันคือได้เวลาว่าจากภารกิจการงานเพื่อจะได้มาทำบุญเพราะบุญนี้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราเป็นที่เพิ่งที่แท้จริงของพวกเราที่พวกเราสามารถ เอาติดไปกับตัวของเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ตัวเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเราอยู่กับใจใจนี้ไม่มีวันตายใจก็ออกจากร่างไปถ้ามีบุญติดตัวไปก็จะไปดีไปสู่สุขติ พราเราเชื่อในเรื่องบุญเชื่อในเรื่องบาปแล้วก็พยายามทำบุญไม่ทำบาปอยู่เรื่อยๆการที่เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ว่าบุญทำให้เรามีความสุขบาปทาให้เรามีความทุกข์กิเลสตัณหาความอยากต่างๆ เป็นตัวที่ทําให้เราต้องไปผุดไปเกิดไปเไวรเวทตายเกิดการที่จะมีความเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นความจริงที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่า เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราต้องไปต่อถ้าเรามีบุญเราก็ไปสุขไปสบายถ้าเรามีบาเราก็ไปทุกข์ไปยากไปลำบาถ้าเรามีตัณหาความอยากเราก็ต้องไปผุดไปเกิดอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นอันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้า ส่งรู้ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพิทธเจ้ามาตัดสรู้ความจริงอันนี้แล้วเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็จะคิดว่าพอร่างกายที่ตายไปแล้วเราก็จบคือเราอยู่ที่ร่างกายพอร่างกายตายไป เราก็ตายไปกับร่างกายด้วย mm hmm. การกระทาต่างๆที่เราทำ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาป mm hmm. ก็จะไม่มีผลตามมา mm hmm. แต่นี่เป็นความเห็นผิด mm hmm. เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ mm hmm. ที่สนคนส่วนใหญ่จะเห็นกันอย่างนี้ mm hmm. เพราะว่าเขาไม่เห็นใจไม่เห็นจิตที่จะออกจากร่างนี้ไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเขาไม่เห็นว่าจิตนี้จะไปสุขหรือไปทุกข์ก็เพราะบุญหรือบาปที่เขาทำไว้นั่นเองเขาจึงไม่กลัวบาปกันเพราะใจของเขามีความโลภมีความอยากได้สิ่งต่างๆเวลาอยากได้เขาก็ไม่กลัวว่าทำบาปแล้วจะมีผลตามมาหรือไม่ พ่อเขาเห็นแล้วเขาคิดแล้วว่าไม่มีเห็นไม่มีผลนั่นเองเขาเพียงแต่รับโทษก็เฉพาะเวลาที่ยังมีร่างกายนี้อยู่เช่นถ้าไปทำผิดกฎหมายถูกเจ้าหน้าที่จับก็อาจจะถูกจับไปขังคุกขังตารางหรือก็จับไปประหารชีวิตท่านั้นแต่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็จะไม่มีผลตามมาอีกต่อไปนี่จะเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาถึงเขาึงกล้าทำบาป ก, กันเขาถึงไม่ทำบุญกันเพราะเขาเสียดายเงินทองที่เขาต้องเอามาใช้กับการทำบุญเพราะเขายังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่ เขาจึงต้องมีเงินไว้ใช้กับความอยากของเขาเขาก็จะไม่ชอบทําบุญเพราะทําบุญแล้วก็จะทําให้เขาไม่สามารถซื้อสิ่งที่เขาอยากจะซื้อได้ไปเที่ยวตามที่เขาอยากจะเที่ยวได้เขาจึงไม่ชอบทําบุญเขาชอบทําบาปเพราะเวลาทําบาปทําให้เขาได้เงินทองมานั่นเองนี่คือ ความเห็นผิดเป็นชอบจะทำให้คนไม่กลัวบาปจะทำให้คนไม่ชอบทำบุญแต่เวลาตายไปแล้วเขาต้องไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วอย่างพวกเดรัจฉานที่มาเกิดพวกสุนัขพวกแมวพวกนกพวกสิงสารสาัตว์ต่างๆพวกนี้เขาก็ทำบาปกันมาอย่างโชคโชร์พอเขาตายไป เขาก็ต้องกลับมารับผลบาปของเขาต้องมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆก่อนที่จะหมดบาปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พวกที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามจะไม่ทำบาปพยายามจะทำบุญอยู่เรื่อยๆ เขาเวลาตายไปเขาก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมเขาไปรับผลบุญของเขาในสวรรค์แล้วหลังจากที่บุญที่เขาได้ไปใช้ในสวรรค์นั่นหมดแล้วเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องมาเป็นเดรัจฉานพวกคนทําบาปนี้ตายไปแล้วต้องไปใช้กรรมในอบายก่อน ไปตกนรกถ้าเป็นกรรมหนักออกจากนรกมาก็มาเป็นเปรตมาเป็นขอทานจากเปรตก็กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสิงสารสาัตว์ต่างๆนอกถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกทีนพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาทำบาปใหม่เพราะเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบ เขาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วจะง่วงนอนถึงแม้จะเข้าวัดเวลาฟังเทศก็หาเสาพิงหาฝาพิงพอพระเริมพูดธรรมะก็หลับสับสงบฟังไม่รู้เรื่อง ไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังไม่รู้เรื่องของบุญไม่รู้เรื่องของบาปไม่รู้เรื่องของผลของบุญของผลของบาปก็จะกลับไปทำบาปเหมือนเดิมบุญไม่ชอบทำพอตายไปก็ต้องกลับไปใช้บาปใช้กรรมในอบายใหม่แต่คนที่ชอบฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็จะเกิด ความเชื่อขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเห็นว่าบาปทำให้เราทุกข์เห็นว่าบุญทำให้เราสุขเห็นว่าบาปทำให้เราต้องไปเกิดในอายเห็นว่าบุญทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ก็จะทำให้เรามีความอยากจะทำบุญไม่อยากจะทำบาปนี่คือประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาเติมสัน ม, มทัทธิสิความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทําที่ถูกต้องถ้าเราเห็นว่าทําบาปแล้วจะต้องไปใช้กรรมเราก็จะคิดไม่ทําบาป แลวการกระทาของเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดบาปขึ้นมาก็คือเราจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเราจะไม่พูดสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเราก็จะไม่พูดปลเราก็จะไม่เสศษสุรายาเมาอบายามุกต่างๆเพราะว่า การเสพอบายามุกนี้จะทำให้เราไปทาบาปต่อไปเพราะอบายามุกนี้ไม่ได้ทำให้เราได้เงินได้ทองมามีแต่จะทำให้เราเสียเงินเสียทองไปเพราะเงินทองหมดเรายังติดเรายังอยากเสพอบายามุกอยู่เราก็ต้องไปทำบาปไปรักขโมยหาเงินหาทองมาซื้อสุราดื่ม นี่คือการกระทำที่ไม่ดีที่เราจะไม่ทำเพราะเรากลัวบาป ก, กันเพราะเรารู้ว่าตายไปแล้วเราต้องไปใช้บาป ก, กันนั่นเองนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่สําคัญมากถ้าเห็นผิดก็จะคิดผิดพูดผิดทําผิด ถ้าเห็นถูกก็จะคิดถูกคิดถูกทำถูกพูดถูกพอคิดถูกทำถูกพูดถูกผลก็จะดีผลก็จะทําให้ใจเราจเจริญ ก, ก้าวหน้ารุ่งเรืองมีความสุขถ้ามีความเห็นผิดก็จะคิดผิดทําผิดพูดผิดผลก็จะทําให้เราตกต่ทำทาให้เรา รับความทุกข์รับความเสียหายเพราะกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ผลเกิดจากการกระทําของเราเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจถ้าใจคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีใจจะคิดไม่ดีก็เพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นผิด เห็นว่าบาปไม่มีตายไปแล้งไม่ต้องไปใช้บาปบุญไม่มีตายไปแล้งไม่มีผลบุญทำไปก็เสียเสียประโยชน์เสียเงินเสียทองเสียเสียเวลาไปเปล่าๆก็เลยไม่ทำบุญทําแต่บาปพอทำแล้วตายไปก็ต้องไปรับผลของบาปเวลาอยู่ก็รับผลของบาปบาป ผลของบาปในขณะที่อยู่คืออะไรก็คือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความไม่สบายใจนี่ทุกวันนี้ที่เราไม่สบายใจก็เพราะการทำบาปของเราแล้วก็การคิดไม่ดีของเราคิดอย่างไรถึงเรียกว่าคิดไม่ดีก็คิดด้วยความโลภคิดด้วยความโกรธเพราะมีความหลงไม่มี ไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิมีความหลงก็คือมีมิจฉาทิฏฐิจึงทำให้คิดไม่ดีคิดไปในทางความโลภคิดโลภคิดโกรธพอคิดโลภคิดโกรธแล้วใจก็จะไม่สบายพอไปทำบาปใจก็ยิ่งไม่สบายใหญ่นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม อยู่ที่ตัวเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนกรรมนี้อยู่ที่ตัวเราเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรขึ้นมาเองด้วยความเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่าทําบาปแล้วไม่มีผลตามมาแต่พอทําแล้วพอมีผลตามมาก็กลัวหวาดกลัวไปหมดกลัวเจ้ากรรมนายเวรกัน เวลากลัวก็มาทําบุญกันสักครั้งหนึ่งพอหายกลัวแล้วก็หยุดทําบุญแล้วก็กลับไปทําบาปใหม่นี่คือสิ่งที่พวกเรากระทากันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราคอยเข้าวัดอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องมาคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ ว่าอย่าคิดโลภอย่าคิดโกรธอยากคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะความคิดนี้จะทำให้เราไปทำความไม่ดีกันไปทำบาป ก, กันให้เราคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่อยากกันแล้วเราจะได้ทำบุญได้เราจะรักษาศีลได้เราจะปฏิบัติธรรมได้ทำใจให้สงบ ทำลายความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ดังนั้นเราจึงควรฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆสมัยนี้ไม่ต้องมาวัดก็ได้เพราะว่าเรามีธรรมะไปถึงบ้านเรามีหนังสือธรรมะเรามีซีดีธรรมะเรามีวิดีโอธรรมะไว้ให้ดูกันเรามีรายการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม เปิดทีวีก็สามารถได้ยินได้ฟังธรรมะกันตลอดเวลาถ้าเราฟังอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้เรามีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทาที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องพอเราทำสิ่งที่ถูกต้องผลก็จะเป็นผลที่ถูกต้อง ก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะเลือนเราก็จะถูกความเห็นผิดเป็นชอบมาครอบงาจิตใจจะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดผิดทำผิดพูดผิดพอคิดผิดทำผิดพูดผิดผลที่ผิดก็ตามมาแทนที่จะเป็นสุขก็เป็นทุกข์ ทนที่จะเป็นความเจริญก็เป็นความเสือ่อมความเสียหายก็จะตามมาชีวิตของพวกเราทุกวันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความทุง้งมีความเสื่อมเสียขอให้เรายอมรับว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราอยากจะให้เรามีความสุขมีความเจริญก็ขอให้เราคิดว่าเรา ต้องคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นดังนั้นความสุขความเจริญเลือกความทุกข์เลือกความตกต่าของเรานี้ไม่ได้ขึ้นกับใครทั้งนั้นขึ้นกับการกระทำของเราเพียงอย่างเดียวคนอื่นไม่สามารถทำให้เราสุขให้เราเจริญได้ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมเสียได้มีการกระทำของเรานี้เท่านั้น ที่จะทำได้นังที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมก็คือการกระทำจะกรรมจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นผู้อื่นไม่ได้รับผลจากการกระทำของเราเราเป็นผู้รับผลของการกระทำของเรา ผู้อื่นไม่สามารถทำให้เรารับผลจากการกระทำของเขาได้ดังนั้นขอให้เราดูการกระทำของเราตลอดเวลาดูว่าเราคิดดีพูดดีทำดีหรือเปล่าถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแสดงว่าเรามีความเห็นที่ผิดความเห็นที่ไม่ดีแสดงว่าเราลืมคาสอนของพ่อพระเจ้า เราก็ต้องมาฟังคําสอนของพ่อพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็เอาไปนึกเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมเราก็จะได้ไม่กล้าทำบาปเราจะทําแต่บุญเราจะตัดความโลภความโกรธความหลงไปเรื่อยๆแล้วผลก็จะเป็นความสุขความจเจริญ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไปจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าได้รับกันต่อไปเราก็จะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีผลก็จะเป็นผลที่ดีตามมา ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความเห็นที่ถูกต้องรักษาความเห็นที่ถูกต้องถ้ามีอยู่แล้วด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆด้วยการลึกถึงคำสอนของพรอพระเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้คิดดีพูดดีทำดีแล้วเราจะได้ผลที่ดีตามมาต่อไปขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุข ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจหลังจากที่ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเชิขอฝากเรื่องของการใช้วันหยุดให้ได้กำไรให้เป็นกำไรบุญเพื่อที่เราจะได้มารับผลที่ดี ที่จะตามมาต่อไปด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องพอมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะคิดดีพูดดีทดําดีจะไม่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีพอทําอย่างนี้แล้วก็จะมีแต่ผลดีตามมาการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา